วันอาทิตย์ที่26มีนาคม2538เป็นการบรรยายพิ ส, สูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t า a ท่านสาธุชนที่เคารพปฏิจจสมุปบาทวันนี้จะใช้เอกสารนะครับที่แจกให้สองแผ่นขอให้หยิบแผ่นที่มีภาพวงกลมขึ้นมา แล้วก็ดู <c oughs> ภาพวงกลมบางครั้งเราก็อาจจะพลิกกลับไปกลับมาดู <c oughs> ประกอบกันไปด้วยเพราะว่า <c oughs> ข้อความที่เขียนในตารางนั้นได้ประดิษฐ์เป็นรูปภาพวงกลมก็จะปรากฏเนื้อความอยู่ในนั้นตามนั้นเป็นการสรุปในปฏิจจสมุ ป, ปาด7เจ็ดใน ที่ว่าสรุปในนะั่นหมายว่าการเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เป็นส่วนหลักจากสรุปได้เป็นเจ็ดเจ็ดในอันใ น, นหนึ่งเป็นการกล่าวโดยการสามคือปฏิจจสมุปบาทสิบสององค์นั้นส่วนหนึ่งจะเป็นอดีตส่วนหนึ่งเป็นปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นอนาคตคำว่าเป็นอดีตนั้นหมายถึง เป็นอดีตของอีกของส่วนที่เป็นปัจจุบันและส่วนที่เป็นปัจจุบันนั้นเป็นเป็นปัจจุบันในในขณ ะ, ะที่เป็นปัจจุบันนั้นอนาคตก็เป็นอนาคตของปัจจุบันนั้นคือเอาปัจจุบันเป็นตัวตัง้งซึ่งมีอยู่หลายองค์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะได้ดูให้เห็นชัดเจนสำหรับในที่สองที่เรียกว่าองค์สิบสองอันนี้ก็เป็นส่วนหลักเบื้องต้นที่จะต้องรู้และโดยมากเราจะจาได้ว่า ปฏิจจมีสิบสององก็ได้แก่วิชาสังขารจนถึงชาติและชรามรณะเนี่เป็นทั้งหมดสิบสององหรือสิบสองข้อในที่สามเขาเรียกว่าอาการยี่สิบอาการยี่สิบที่ภาษาบาลีใช้คำว่าวีสตาการาวีสตานั่นแปลว่ายี่สิบอาการก็คืออาการก็คือ <c oughs> เมื่อกล่าวโดยความเป็นเหตุเป็นผลแล้ว ก็เป็นอดีตเหตุบางส่วนเป็นปัจจุบันผลบางส่วนแล้วก็เป็นปัจจุบันส่วนที่เป็นเหตุบางส่วนอนาคตผลเราดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจุบันในส่วนผลกับปัจจุบันในส่วนเหตุนะฮะอดีตมีฐานะเป็นเหตุอนาคตมีฐานะเป็นผลเพียงส่วนเดียวแต่เราดูเป็นความคิดคร่าวๆนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูให้เห็นว่าอะไรบ้าง ในที่สี่สนที่สามสนทิแปลว่าเงื่อนเงื่อนในหมายถึงจุดต่อจุดเชื่อมต่อหรือจุดประสานกันระหว่างท่อนของปฏิจจ์ปฏิจจ์ทั้งสิบสององค์เนี่ยเวลาเข้าแบ่งเป็นท่อนอาจะจะเรียกว่าสังเขปจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ท่อนในสี่ท่อนระหว่างท่อนที่หนึ่งกับท่อนที่สองก็จะมี จุดปลูกจุดต่อเขาเรียกว่างเงิ่อนในที่ห้าในที่ห้าในที่สี่น่คือท่อนในที่ห้าคือท่อนในที่หกในที่หกเรียกว่าวัฏตะหมายถึงโดยวังวนสามเรียกว่าวัฏตาสามที่เราคุ้นเคยว่ากรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏในที่เจ็ดมูลสอง ปฏิจจ์สิบสององค์ที่มีฐานะเป็นรากเงาสำคัญมีอยู่สององค์เท่านั้นเองไอนี้เราก็ดูได้ก่อนว่าได้แก่อวิชากับตันหามีฐานะเป็นหมูลมูลหมายถึงมูลที่ทำให้เกิดความหมุนวนของปฏิจจสมุบาททั้งหมดแล้วเวลาจะละเนี่ยครับเวลาจะละจะต้องถอนอวิชากับถอนตันหาขึ้น จึงจะทำให้ปฏิจจาหยุดส่วนวิธีการจะถอนอวิชชาถอนตันหาถอนอตรงไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะต้องมีผลต่อการทำลายหมูลสองอย่างนี้วงล้อจึงจะขาดกระจายออกจากกันผมก็ชวนให้กลับมาดูแผ่นวงกลมแผ่นวงกลมที่เป็นภาพที่บังเอิญเขียนไว้นานแล้วแต่เขียนไว้ตอนนั้นนะไม่เป็นประโยชน์แก่คนฟังนัก ก็คนฟังภูมิที่ไม่สามารถจะฟังรายละเอียดได้หรือ ม, มาเป็นประโยชน์ตอนนี้ตั้งห้าปีแล้วนะตอนนั้นเขาเชิญให้ไปบรรยายที่คณะศึกษ า, าดูราลงกรณ์ครั้งเดียวนะครับเราก็เขียนแผ่นนี้แผ่นเดียวแต่พูดจริงๆก็ไม่สามารถจะพูดเข้ามารายละเอียดได้มากอย่างทีจ่จะพูดกันได้ในทีน่นี้แต่คงไม่ได้พูดวันนี้ได้อย่างหมดเปลือทั้งหมดแล้วนะครับก็เพียงแต่จะให้ดูเป็นจุด สำคัญสำคัญให้เห็นภาพคว้างๆเราตั้งวงกลมให้ให้ตรงนะฮะแล้วก็เริ่มดูองค์ก่อนที่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเข้าใจได้ทันทีองค์คือข้อของปฏิจจสมุปาจะมีทั้งหมดสิบสององค์คืออวิชาหนึ่งอวิชาสองสังขารสามวิญญาณสี 4. นามรูปรรา 6. ภารลายจตนะหกัฏษาสเจ็ดเวทนาแปดตัณหาเก้า 9. ปาทาน สิบภพสิบเอ็ดชาสิบสองชารามรณะแล้วก็โสกะปริเตวะก็พ่วงอยู่ในนี้ทั้งหมดอ่าแล้วก็ความหมายโดยย่อนิดนึงว่าอาวิชชาคือความไม่จัตรสลุริยสัตตสีสังขารคือกรรมที่บุคคลทํากรรมเพราะความไม่จัตตสลุริยสัตตสีเมื่อทำกรรมแล้วปฏิสนธิวิญญาณก็ย่างลงสู่ภพใหม่คือใหม่หมายถึงใหม่จาก ใหม่กว่าสังขารสังขารเกิดก่อนในภพใดภพหนึ่งแล้วก็ทำให้วิญญาณเกิดวิญญาณตรงนี้หมายถึงวิญญาณที่เป็นผลของกรรมดิเรโรวิบากวิญญาณหรือวิบาจิตทั้งปฏิสนธิวิญญาณคือวิบาจิตแรกเกิดแล้วก็วิบาจิตหลังเกิดเกิดแล้วมีชีวิตดำเนินอยู่วิบาจิตก็ปรากฏเวลาที่เราถูกรถชนร่างกายก็ วิคนวิการก็ถือว่าเป็นกรรมผลกรรมอย่างหนึ่งวิญญาณที่เสวยทุกขเวทนานั้นถือว่าเป็นวิบากวิญญาณอันนี้แหละเกิดขึ้นจากสังขารที่เราได้ทําไว้แล้วก็เมื่อวิญญาณปรากฏนามรูปก็เกิดนามรูปในที่นี้หมายถึงเจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณนั้นแล้วก็รูปก็คือรูปที่เกิดร่วมกับวิญญาณนั้นยกตัวอย่า ง, างเช่นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลง เจตสิกก็ห้อมล้อมวิญญาณ น, นั้นคือสาหัวขดกับวิญญาณ น, นั้นแสดงคุณสมบัติต่างๆทําให้วิญญาณนั้นมีคุณสมบัติว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณประกอบด้วยปัญญาก็พลันนำคือเจตสิกนะแล้วก็รูปหมายถึงกาละละลูกก็ ป, ปรากฏเกิดขึ้นอย่างจับพลันทันที่าเหมือนว่าปฏิสนธิวิญญาณเหมือนลูกมาปลาลูกหนึ่งที่หล่นมาจากทลาย เมื่อหล่นลงมาที่พื้นดินซึ่งเป็นดินที่เขาสาดขึ้นมาจากทา้องร่องคือดินเหลวที่สาดขึ้นมาก็สองวันยังไม่ถึงกระแข็งแต่ก็พอจะมีความแข็งขึ้นคือไม่เหลวเป็นอย่างปสมัยที่อยู่ในท้องร่องเราเลิกคิดดีว่าเมื่อฝนมาพราบตกลงมาเนี่ย ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้เกิดหลุมขึ้นนะทําให้เกิดหลุมหลุมนั้นไม่ได้ไม่ใช่มะพร้าวใช่มะหลุมนั้นไม่ได้เกิดก่อนมะพร้าวตกแล้วก็ไม่ได้เกิดหลังมะพร้าวตกเกิดพร้อมกับมะพร้าวตกแล้วก็หลุมนั้นก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้มะพร้าวนั้นไม่กลิ้งไปที่อื่นมะพร้าวนั้นอยู่ที่นั้น และวทาเผื่มุติว่ามันถูกแดดถูกอะไรต่ออะไรได้มันก็าอาจจะแตกกิ่งก้านตาขาออกไปอีกอันนี้นะ่ะเทียบว่าไอ้กระละรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปฏิสนธิอย่างลงปั๊บเนี่ยนะกระละรูปนั้นเป็นที่อาศัยของจิตเกิดจากจิตแล้วก็เป็นที่อาศัยของจิตคือปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นเหมือนกัะหลุมเกิดจากลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นที่อาศัยยั้งลูกมะพร้าวนั้นไว้นั่นเอง นี่คือรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นในผมยกกรณีของปฏิสนธิวิญญาณตีถ้ามันเป็นวิบากวิญญาณอย่างอื่นมันก็มีรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นเพื่อความเป็นไปของขอ ง, ของวิบากวิญญาณนะยกตัวอย่างเช่นเราถูกรถชนและเจ็บไอ้รถมาชนเราแล้วเราเจ็บเนี่ยหมายความว่าเราเราเจ็บก่อนรถชนหรือเจ็บเจ็บพร้อมรถชน หรืเจ็บหลังรถชนเอทถาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีจองโหวเพอกว่าเวลาถูกรถชนแล้วยังไม่เจ็บนะพูดต่อไปเดี๋ยวมีช่องโหวไม่ดีอ่าแต่ว่ามันพอเจ็บแล้วเหมือนไม่เลียวตียอย่างงี้นะจะเอาเจ็บขนาดไหนอ่ะว่าเจ็บขนาดไหนทีนี้เมื่อรถชนเนี่ยมันเจ็บโดยที่แขนขาเราไม่ได้เป็นอะไรยังคงที่ทุกอย่างหรือแขนขาเราเป็นอะไรด้วยในขนาดนั้นแล้วเจ็บถึงปรากฏ แขนขาเราเป็นอะไรด้วยใช่ไหมก็คือรูปไงเป็นอะไรด้วยปรากฏเป็นที่รองรับความเจ็บนั้นที่คือนามรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณนะนามวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปลักษณะเรียบอย่างนี้นะอะอก็หมายก็ว่านามและรูปเนี่ยท่านถือเอาเป็นผลพวงของวิบากวิญญาณในกรณีต่างๆ คันนี้เมื่อนามรูปปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็มีผลต่อสลายตนะลายตนะสลายยตนะคือถ้าพูดถึงอย่างปฏิสนธิวิญญาณก็เห็นง่ายหน่อยว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงเจตสิกแวดล้อมรูปปรากฏขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นสลายยตนะอาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีสลายตนะเอืออยยตนะหกแล้วก็สามารถรับกระทบได้ เป็นประโยชน์แก่ปัสสเจตสิกได้ปัสสะก็เกิดขึ้นเมื่อปัสสะเกิดขึ้นเวทนาก็สวยอารมณ์ได้เมื่อเวทนาสวยอารมณ์แล้วความยึดติดในเวทนานั้นก็ปรากฏทั้งสุกเวทนาตุกเวทนาเนี่ยครับเป็นที่ตัณหาเข้าไปยึดติดด้วยอาการอย่างที่สมควรจะเป็นโดยกรณีมากมายได้เมื่อนั้น เมื่อตัณหาคือความอยากเกิดความอุ ป, ปาทานตัณหานั้นคือความอยากคือความจริงตัณหาคืออุ ป, ปาทานเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแต่แยกอุ ป, ปาทานมาตัณหาจากตัณหานั้นเพื่อแสดงความรุนแรงของตัณหานั้นนะฮะแล้วความรุนแรงของตัณ ห, นะหาเนี่ยมันรุนแรงงอกเงยออกมาเป็นสองอย่างครับคือหนึ่งตัวตัณหานั้นเองเพิ่มกาลังมากขึ้น เรียกว่าเป็นการมุปาทานน ะ, ะเอาตัวเดียวก็พอคือพูดง่ายว่าเป็นอุปาทานของตันหาความยึดติดของตันหาด้วยตันหาอันหนึ่งแล้วก็พัฒนามารุนแรงกลายเป็นความเห็นผิดก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานคือยึดติดด้วยอํานาจของความเห็นผิดเข้าใจผิดพูดง่ายว่าอยาก จนรุนแรงมากๆเข้าก็กลายเป็นความเห็นผิดหลงผิดไปเลยเข้าใจผิดไปเลยเหมือนคนที่หลงติดติดอะไรมากๆเขาก็กลายเป็นไม่สามารถที่จะรับคุณรับทราบค่าของความถูกต้องได้แล้วว่าถูกเน่ควรจะเป็นไงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเมื่ออุปาทานตัณหาเกิดขึ้นสองตัวนี้ก็เป็นปัจจัยแก่พบคืออุปาทิภพการเกิดใหม่ แล้วก็ก ร, รมมาภพคือการทำกรรมอย่างใหม่สืบต่อเมื่อมีกรรมใหม่ชาติคือการเกิดก็ปรากฏขึ้นเมื่อมีชาติชาราโมรณะก็ปรากฏขึ้นอันนี้ก็ว่าอย่างคร่าวๆย่อๆเป็นองค์สิบสองอย่างนี้ก่อน <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เรามาดูตรงหัวต่อระหว่าง <c oughs> อาวิชากับชารามระเพราะโดยปกติเนี่ย ถ้าเรากล่าวโดยลําดับเราบอ ว, าวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารพอมาถึงชร า, ามรณะแล้วท่านไปขวด ต, ตรงนี้ว่ากองทุกทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นด้วยประการานี้ไม่ได้บอกว่าชร า, ามรณะโสกกาบริเทวาทุกขโทรมรณะอุ บ, บายาตเป็นเหตุให้เกิดวิชาใช่ไหมฮในในในเนื้อความของพระสูตรที่ม า, มาแล้วไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าโดย อ, อธิบายโดยเฉพาะของท่าน พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาท่านว่าชาติชรามรณะโสกาปริเทวะเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันทำให้เพาะกิเลสคืออาสวะกิเลสมันบักดองเหมือนจะบทำใ ห, ให้เราเกิดภาพโพดขึ้นมาว่าเมื่อปฏิจจามันเกิดขึ้นไปตามองค์ไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วก็มีชาติชรามรณะจนถึง จุดตรงเนี้ยโดยประมาณทีท่านว่าเหมือนกับโรคที่รักษามาผิดนะฮะปากบาดแผลที่รักษ า, าผิดจนมัครั้งมันเน่าเฟะทั้งเลือดทั้งหนองปนกันเนี่ยมันเหมือนกับสภาพของการหมักดองนี่ไอไหมักดองเนี่ยเราจะไปนึกว่าไอไหมักดองของกินได้มันก็หมักดองไอของกินไม่ได้อย่างเช่นเขาเอาซากสัตว์ไปทิ้งทับผมไว้ใน ในหลุมโศโครกหรือในหลุมส้วมที่อย่างคนอินเดียเขาขุดไว้กลางทุ่งกลางนาะแล้วก็ไปใช้เป็นที่ถ่ายที่ทิ้งของอะไรแต่ละหมักหมงกัอยู่นะมันก็เกิดได้สภาว่างการหมักดองมันเป็นความอรุนแรงพิเศษถึงจุดรุนแรงพิเศษของความสกปรกความไม่ถูกต้องหรือทุกข์ทรมาน ของปฏิจจคติทั้บางเนี่ยนี้เมื่อเกิดไอ้ภาวะของความหมักดองเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกับถ้าจะว่าเป็นเล่ามันก็เป็นเล่าหรือถ้าจะว่าเป็นเรื่องเกิดไอ้ไอ้มนพิษขึ้นมาในทางกลิ่นเราลองนึกดูให้ดีว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่ที่เราได้รับกลิ่นจากไอ้สภาวะของของทับผมหมักดองอย่างนี้ ตาเราสว่างขึ้นไหมสติปัญญาเระแจ่มใสขึ้นไหมสัมปชัญญะเราดีขึ้นไหมหรือว่าเราอยู่ในภาวะที่มุนงงไม่รู้เรื่องสัมผฤดีหายไปสัมผลดีเราหายไปนะหรือถ้าเราไปดื่มของหมักดองบางอย่างอย่างเช่นสุราดื่มเข้าไปสัมปชัญญะเราก็ไม่อยู่กับตัวเราไม่ฉลาดมากขึ้นเพราะสุราดงนั้นถึงจุดนี้นะ การพัฒนาการของติจจะมาถึงจุดที่ท่านบอกเราว่าเวลานี้ในกระเพาะเรามันมีสุราอยู่มันไม่ถลายเพราะว่าปฏิจจามก็เกิดแล้วก็มามีไอแอลกอฮอล์ตกอยู่ในกระเพาะเราแอล ก, กอฮอล์ตกในกระเพาะเราสุราคู่กับความไม่มีสติฉันใดอาสวะก็ศพประโยชน์กับอาวิชาฉันนั้น คนที่เคยกลับบ้านถูกพอกินเหล้าเขาเ้าไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกอะไรเงี้นะคนที่เคยจำหน้าคนตังคนนี้ได้พอกินเหล้าเข้าไปแล้วจำหน้าไม่ได้คนที่เคยทำอะไรได้ถูกได้ควรพอกินเหล้าเข้าแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรฉันใดก็ฉันนั้นอาสวะกิเลสที่บุคคลกระทาสั่งสมเข้าไว้ย่อมเป็นประโยชน์แก่อวิชชาดังนี้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาวิชชามิใช่ไม่มีปัจจัย อวิชามีปัจจัยอวิชามีอาสวะเป็นปัจจัยและอาสวะนั้นก็เกิดจากชรามรณะที่ทับถมถึงถึงที่เป็นปัจจัยก็เลยเมื่อถึงตรงนี้แล้วอวิชาก็เลยเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อวิชาเราเป็นไปโดยอัตโนมัติที่เราได้สะสมหมักหมม กันอย่างกำหนดดีกรีไม่ไดนน้กำหนดดีกรีไม่ได้ไม่รู้กี่ดีกรีนะมันมันก็เลยหมุนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆหลอบแล้วหลอบเล่าหลอบแล้วหลอบเล่า อ, อันนี้ก็เป็นการกล่าวโดยองค์สิบสองทานนี้จะพาไปดูส่วนที่ได้เขียนไว้ว่าเป็น ทำมวัดกิเลสสวัส์วิปากวัฏก่อนแล้วกันง่ายดีนะในอวิชาในปฏิจจสิบสององนั้นส่วนที่ถือว่าเป็นกิเลสสวัสด์กิเลสนะั้นอย่าลืมว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นสิ่งทําให้จิตเศร้าหมองด้วยและตัวเองก็เป็นความเศร้าหมองด้วยเรียกว่ากิเลส อวิชาเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกรรมหรือกิเลสตอบว่าฐานะมันเองเป็นกรริเลสอวิชากิเลสนะฮะตัวมันเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรรมนะแต่มันอาจจะไปเกิดปนกับกรรมได้แต่ตัวไม่ใช่เป็นกรรมเพราะกรรมเน้นเอาเจตนาอย่างสมมติยที่เราพูดถึงเจตนาเจตสิกมาแล้วว่าคนที่ไปฆ่าสัตว์ถามว่าไอาการฆ่าสัตว์เนี่ย เป็นกรรมอย่างเดียวหรือเป็นกิเลสอย่างเดียวหรือเป็นทั้งสองอย่างตอบว่าเป็นทั้งสองอย่างความรู้สึกไอ้หรือตัวไหนเป็นกรรมตัวไหนเป็นกรริเลสตอบว่าความโกรธเป็นกรริเลสโกรธแค้นฆ่าเขาความคิดจะฆ่าเป็นกรรมนะฮะความคิดจะฆ่าเป็นกรรมเนี่ยมันมาเกิดปนกันอย่างนี้คนเมาเหล้า เมาบัญชาเมาสิ่งเสพติดตรงไหนเป็นกรรมตรงไหนเป็นกิเลสเป็นกิเลสก็คือตรงที่หลงไม่มีสติและที่เป็นกรรมก็คือความจงใจคิดจะดื่มสุราเนี่ยพูดถึงตอนดื่มนะถ้าดื่มไปแรกไปจงใจทำอะไรนั่นก็เป็นกรรมในเรื่องนั้นๆตามที่ได้จงใจทำทีตีนกิเลสนี่ยมันมีเยอะ แต่สำหรับที่พระพุทธเจ้าเลือกเอามากล่าวอย่างเป็นสำคัญในปฏิจจาท่านเอาอาวิชาพูดเอาอาวิชามาเป็นเริ่มต้นเอาอาวิชามาเป็นตัวมูลสำกันต่อไปสังขารคือเจตนาเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมเป็นตัวกระทาตรงนี้ชัดเจนครับที่เราทำอะไรอะไรด้วยอำนาจของอวิชานั่นแหละ บุญก็ทำด้วยอวิชชาบาปก็ทำด้วยอวิชชาและเมื่อทำกรรมแล้วเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณความจริงเนี่ยถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเราได้มีโอกาสกล่าวโดยพิสดารเนี่ยเราจะสังเกตรหรืออาจจะตั้งปัญหาว่าวิบากของกรรมเนี่ยมันมีทั้งรูปมีทั้งนามแล้วทำไมท่านถึงมาลำดับแสดงบิบาควิญญาณ คือวิบากฝ่ายจิตก่อนและลําดับวิบากฝ่ายรูปไว้ภายหลังอคือผลกรรมฝ่ายรูปไว้ภายหลังแล้วก็ผลกรรมอันอื่นคือผลกรรมข้างนอกพวกทรัพย์สินเงินทองไม่พูดเลยอย่างนี้นะอันเนี้ยท่านมีเหตุผลของท่านมีเหตุผลคือบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าแสดงอย่าง เ, าเวียนกรรมเพื่อทรงเอเพื่อให้สัมมาทิฏฐิแก่ คนธรรมดาโลกเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องผลกรรมอย่างเป็นเรื่องของวัตถุไปอายุวันโนสุขังพลังอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ไปชี้อะไรนะั้นแต่อบางครั้งก็พูดรวมกันทั้งสองอย่างทั้งจิตทั้งรูปนี่นะแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติตัวล้างกิเลสท่านจะพูดเอาตัวตัวอัตภาพนะตัวที่มันเป็นส่วนแห่งชีวิตละ่ะเพื่อถอนเพื่อเห็นภยัย ในสิ่งที่มันเป็นส่วนแห่งความเป็นรูปส่วนแห่งความเป็นนามในตัวเราเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสําคัญในส่วนแห่งความเป็นอัตภาพของเราท่านเอาตัวนี้มาพูดก่อนเพราะเป็นอารมณ์ของปัญญาชั้นลึกคือปฏิจจ์ที่พูดออกมาเป็นลําดับลําดับว่ากิเลสมีทั้งหลายตัวแต่เลือกมาพูดตัวเดียวกรรมมีทั้งหลายอย่างแล้วมาเลือกมาพูดอันเดียว หรือเอามาพูดมากกว่าหนึ่งอันแต่ทําไมเอาอันนี้ต้องแยกมาพูดถ้าเป็นข้อพิเศษอันอื่นทิ้งไว้พูดภายหลังนี่นะอ่าเป็นเรื่องเหตุผลในทางการอย่างรู้อย่างในทางลึกก็จะจะแสดงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าในนี้ไม่มีเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเรื่องอิจฉาทิ่ยาไม่มีเรื่องจกัจกจักรงวงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ก็เป็นเรื่องอารมณ์วิปัสนาทั้งในส่วนเบื้องต้นคือในส่วนของทฤษฎีอันเป็นอธิปรมิจันและในส่วนการอย่างลงเข้าไปกำหนดรู้ทีนี้ก็ามาดูวิบากวิบากกวัดเยอะหน่อยครับวิบากกวัฏคือผลผลิตของกรรมวิญญาณวิบากจกิตนะนามรูปอายตนะผัสสะ การกระทบแล้วก็เวทนาความรู้สึกทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นวิบากผมก็ยกตัวอย่างการณีอย่างความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเราก็มองเห็นเผยก็เห็นว่าท่านกล่าวว่าในแง่ของวิบากเห็นแล้วว่าบุคคลเมื่อกระทำความชั่วกระทาบากย่อมมีสุขออมีทุกข์เป็นกาไรมีทุกข์เป็นผลผู้ที่กระทำความดีไว้ การทำกุศลไว้ย่อมมีสุขเป็นวิบากมีสุขเป็นผลเป็นกาไรนะก็พูดอย่างสุขในฐานะที่เป็นผลต่อไปดูเลยไปอีกช่วงหนึ่งที่เป็นวิบากถ้าเป็นกิเลสตัณหาก็อุปาทานเป็นกิเลสหรือเป็นกรรมเป็นกิเลส อนี้ถ้าหากว่าถามว่าก็ในขณะที่ตัณหาเกิดเนี่ยหรืออุปาทานเกิดเนี่ยมีเจตนามไหมหรือมีกรรมไหมมีใช่ไหมก็คนมีตัณหาต้องมีเจตนามีกรรมมีอุปาทานต้องมีเจตนามีมีกรรมแล้วทาไมถึงจะมาเลือกที่รักมักที่ชังเอาเฉพาะตัณหาอุปาทานเป็นส่วนองค์นี้แล้วเอากรรมไปไว้ที่ไหน ท, ทั้งทั้งที่นก็อยู่ด้วยกันอะ ไอ้คือเรื่องการปรากฏเนี่ยปฏิจจาริสสององค์เนี่ยโดยการปรากฏอันหนึ่งโดยการเทศนาํำดับเทศนาอันหนึ่งแล้วก็โดยการอย่างเห็นอีกอันหนึ่งอ่ะสมมติว่าตอนนี้เราสมมติเอานะว่าเราเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเราก็จเจริญกรรมเจริญวิปัสนาด้วยในแห่งปฏิจจสมุปบาท ก็เห็นว่าตัณหาอ ป, ปาทานเกิดแล้วก็เห็นว่าเรามีเจตนาเกิดด้วยอย่างนี้น่ะกล่าวว่าเรากําลังกําหนดเห็นสังขารในตัณหาสังขารในอ ป, ปาทานสังขารกับตัณหาอยู่ด้วยกันนี่คือการกําหนดเห็นแต่เวลาแสดงแล้วท่านแสดงอย่างนี้ว่า ไอ้ตัวตัวเจตนาที่อยู่ในตัณหาเนี่ยเวลามันมันผลิตผลโดยความเป็นกรรมของมันเนี่ยนะมันมีฐานหน้าเป็นสังขารแล้วก็มันจะคล้ายๆจะแยกวงอะแยกวงก็เรียกว่าคนละวงคือสิ่งเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละวงกันครับคนละครอบครัวกันเหมือนเรานั่งอย่างเางนี้คนละครอบครัวกันไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน คนละเสือกเถาเหล่ากอคนละกรรมพืชกันแต่อาจจะมาทํากิจเดียวกันให้แต่ไปแสดงอมหมอระศกคนเขาก็ดูแต่ว่าคนที่เขากำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่คนครอบเดียวกันมาอยู่ในวงมหมอระศกเดียวกันมันไม่ใช่อย่างนั้นการเห็นปฏิจจ์เนี่ยเห็นในทางลึกแล้วเห็นอยู่ต่อหน้าหลายๆอย่างเนี่ย แต่มองเห็นวงเห็นสายว่ามาจากไหนมันไอ้นี่มั น, นมจะไปไหนกาแสดงจบแล้วจะไปไหนนะคนนี้แสดงจบแล้วจะไปไหนไปตั้งอะไปแยกกันไปยังไงนี่คือความสับสนของปฏิจจะสมุปบาทซึ่งเวลาแสดงเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงต้องแสดงแยกให้เป็นคนๆไปแต่ขืนแสดงมันก็วงหลายวงมากไปหวังลํำสับสน แต่พูดอย่างนี้ก็พอเนึกเข็นว่าอ๋อปฏิจจานี่ยมันมันหลายวงการปรากฏที่เห็นต่อหน้าอันหนึ่งความเป็นจริงของมันอันหนึ่งคือเหตุผลในตัวของมันเองอันหนึ่งการอย่างรู้อันหนึ่งและการแสดงเทศนาเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรอีกอันหนึ่งที่พูดให้ฟังตอนนี้ก็ขอให้นึกเข็นแง่มุมเหล่าๆควรจะ เข้าถึงความแจ้งชัดได้แค่ไหนเนี่ยผมไม่รับรองไม่รับรองว่าจะเข้าถึงกันได้แค่ไหนหรือจะได้มีโอกาสเรียนรู้กันหรือไม่แค่ไหนเนี่ยนะปฏิจจาลึกซึ้งอย่างนี้สมกระี่พระ้ปฏิจ้าได้ทรงตรัสแล้วว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องยุ่งเป็นเรื่องสับสนซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องกระแสของเหตุปัใจจัยในชีวิตเราทุกคนนั่นเอง อันนี้เป็นคีเลสตัวอื่นไม่เอาเอาเฉพาะตัวนี้ต่อไปกรรมแล้วก็ขีดเป็นแบ่งครึ่งไว้แล้ววิบากอันนี้ก็เพื่อแสดงว่าเนื่องจากว่าพบเนี่ยมีองค์พิเศษเป็นองค์พิเศษคือมีฐานะเป็นกรรมก็คือกรรมมาพบเจตนาคือบุคคลเมื่อมีอุปาทานแล้วก็มีเจตนาว่าจะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่อุปาทานของตัวนี่อันหนึ่งแล้ว และอีกด้านหนึ่งออันนี้ผมพูดก่อนว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดกรรมภพอีกด้านหนึ่งอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอุบัติภพให้เกิดภพใหม่ข้อนี้นะ่ะอธิบายอย่างเดียวกับที่อธิบายตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสมูทัยแต่สมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเราเนี่ยเมื่อเรามีความอยากนี่ผมคี้เห็นชัดเลยก็ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ ว่าชีวิตเรามาได้เป็นอย่างนี้หรือเอาให้มันชัดลงไปหน่อยนะเพราะง่ายกันเลยก็คืออย่างกรณีของคนที่เขาอยากจะไปเป็นเทวดาคือว่ามีเรื่องในพระไตรปิฎกว่ามีเทวดาที่อยู่บนนู้นแล้วมาบอกกับมนุษย์คนหนึ่งที่เคยเป็นมนุษย์มาด้วยกันแล้วก็อยากใหกไปเกิดเจอกันอีก ก็บอกว่าขอให้ท่านทำบุญอย่างนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้คืออย่างที่จะไปเจอกันมนุษย์นั้นก็ทำบุญอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาสมปรารถนาหรืออย่างในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแนะนาว่าสามีภรรยาอยากจะเจอกันให้ทำบุญอย่างนี้ให้ทาความปรารถนาอย่างนี้ก็จะได้ไปเจอกัน เนี่ยตรงเนี้ยทง่เจ้เห็นว่าท่านตรัสถึงพลังสองอย่างของตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุให้เกิดพบบุญนั้นสงเคราะห์เป็นกรรมนะบุญที่ทาเนี่ยตรงก็คือกรรมนั่นเองกรรมเป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทวดา ห, หรือเข้าถึงคติอย่างที่ตัวเองต้องการอะา ความปรารถนานั้นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรเป็นอะไรความปรารถนาความปรารถนานั้นเป็นตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุให้เกิดอุปัติภพก็คือ <c oughs> ชีวิตของเทวดาตนนั้นเนี่ยที่เขาได้ถึงความเองเขามีความต้องการแล้วก็ทํากรรมให้ด้วยความต้องการนั้นสำเร็จเราเองเนี่ยเรามาได้ทุกคนเหมือนกันหมดเราได้ชีวิต เป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าทําไมเราถึงเป็นมนุษย์แล้วทําไมถึงเป็นมนุษย์หน้าตาอย่างนี้ไม่เหมือนกันทําไมถึงเป็นมนุษย์ทําไมถึงเป็นอ่าทำไมถึงเป็นมนุษย์ต่างอาผู้หญิงทําไมถึงเป็นมนุษย์ผู้ชายเอางี้ก็ได้นะอันนี้ผมว่าตามตามพุทธพจน์เป๊ะเลยทําไมถึงเป็นมนุษย์ทําไมถึงทําเป็นทําไมถึงเป็นมนุษย์ผู้หญิงทําไมถึงเป็นมนุษย์ผู้ชายมนุษย์ทุกมนุษย์นั้นมาเกิดด้วยกุศลวิบากเหมือนกันหมด บุญมังไม่ใช่อะกูตัวนี้บากแต่คนหนึ่งเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายเพราะมีความปรารถนาอะไรในเพศของหญิงในเพศของชายเช่นปลาชอบในภาวะของผู้หญิงชอบอาการของผู้หญิงชอบเสื้อผ้าเครื่องนุงหม่มเครื่องแต่งกายของผู้หญิงแล้วก็ตังสมมันก็ต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงตามความต้องการของเรานะแต่ต้องมีบุญหนุนด้วยนะ ไม่งั้นคนก็ต้องการอะไรก็ได้อย่างใจหมดสิเพราะฉะนั้นไอ้บุญของเรากับความปรารถนาในทางอุปาทานของเราเนี่ยมันเข้ามาสร้างรายละเอียดสร้างไปถึงรายละเอียดเลยว่าเราเป็นมนุษย์จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราทาบุญไว้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอุปาทานว่าชอบบุคลิกของดาราคนนี้ของคนลักษณะอย่าง มันมันแฝงขึ้โดยให้เรารู้บ้างไม่รู้บ้างหรือชอบบุคลิกพระชอบบุคลิกแล้วก็ทําบุญว่าเวลาเราไปเกิดเนี่ยเราจะได้บุคลิกลักษณะรวมไปถึงอาจจะไปถึงหน้าตาอาการอย่างนั้นด้วยกรรมเป็นผู้สองคนเนี้ยใครจะหนุนใครหรืจะเป็นช่วยกันก็แล้วแต่เราก็จะได้ลักษณะนั้นมานี่คือตัวปรุงแต่งเพราะนั่นกิเลสเมันถึงเป็นตัวให้รายละเอียดระบายสีของกรรมอีกทีหนึง่ง นี่ว่าถึงในในบางจุดนะเม่อระบายสีเราเราถึงเห็นว่าเอ๊ะคนบางคนอาจจะเป็นคนดีแต่ดูด้อยด้านนี้คนบางคนเป็นคนได้ด่านนี้เอ๊ะดูเป็นคนไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้นะมันมันก็เพราะอย่างเนี้ยเรามองเข้าไปแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าการสั่งสมมาของกรรมและกิเลสถึงจึงมีสํานินว่าเพราะกรรมและกิเลสเป็นอย่างนี้เนี่ยครับคือพบที่ มีกรรมมาพบกับอุปาทิภพสองอย่างกรรมมาพบและอุปาทิภพที่เมื่ออุปาทานสร้างมาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมยึดถือ ว, ว่จะอยากได้ผลอย่างนี้ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อุปาทานเป็นเหตุให้เกิ ด, กดอุปาทิภพคือความ นิยมชมชื่นโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตของเราคือภพของเราเนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมแล้วก็โดยอุปาทานเอทีนี้เมื่อมาเป็นภพภพที่ว่ามีความหมายเป็นสองอย่างคือภพโดยเป็นอุปาติภพกับภพบโดยความเป็นกรรมภพเอพอไปถึงตรงนี้เนี่ยครับภพบคืออุปาติภพกับชาติเนี่ย ท่านบอกว่ากลายเป็นอันเดียวกันแล้วนะไอ้ตรงนั้นพ อ, อมาถึงตรงนี้มันละลายกลมกลึงกันไปแล้วที่กล่าวว่าพบเป็นปัจจัยแก่ชาตินั้นหมายเอาเฉพาะกรรมมาพบเท่านั้นที่เป็นปัจจัยแก่ชาติตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าพูดให้มันอยู่ในองค์เดียว ก, กันก็บอกว่ากรรมมาพบเป็นปัจจัยแก่อุปาติพบถูกมะกรรมาพบเป็นปัจจัยแก่อุปาติภพนั่นเอง ที่ว่าพบเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยตรงนี้นะพูดๆแล้วเดี๋ยวก็ชวนวงงชวนเวียนหัวแต่ว่าในทางอธิบายเหตุผลในบางหลักถ้าอธิบายตรงนั้นแล้วเนี่ยข้อเครือบแคลงไอ้ความคาบเกี่ยวเหล่านี้เราจะเห็นความลึกซึ้งเห็นความไม่สับสนได้อย่างดีซึ่งซึ่งในที่นี้ก็คงจะยังไม่ได้พูดกันไอ้ทำไมถึงพูดแล้วมันมาเกี่ยวมาอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของ วิธีการเทศนาว่าสเสดเทศนาอย่างไรอย่างไรมาเป็นอย่างไรอย่างไรเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องพูดทีหลังขอใหอ้วางประเด็นนี้ไปก่อนตอนนี้เมื่อมีชาติจารามรณาโสกับรทธิ์เทวะวก็อาศัยชาติเกิดเพราะนั้นที่บอกว่าชาติเป็นทุกข์เนี่ยในอริยสัจทั้งบอกว่าเพราะว่าชาตินั้นเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์ทั้งมวลชาติจึงเป็นทุกข์ ดังนี้นี่ยก็เป็นวิบาก <c oughs> เลยได้ความว่าความแก่เป็นวิบาก ค, ความทุกข์ยากทั้งหลายก็เป็นวิบากเราสงสัยอย่างหนึ่งว่าพอมาถึงวิบากตรงนี้เนี่ยทำไมถึงไม่พูดถึงสุขละ่ะโสกา บ, บริเตวะทุกขโทมนัุปายาตไม่เห็นมีสุขเลยพูดแต่วิบากก็เพราะว่าท่านต้องการ แสดงในส่วนที่เป็นความที่น่าเบื่อหน่ายคืนใายเท่านั้นไม่ต้องการจะพูดถึงสิ่งที่เป็นสุภาษัญญาและความสุขทั้งหลายก็ไม่จะเป็นความสุขจริงแต่เป็นความสุขเพื่อสุกเป็นปัจจัยแกโสกับรีเทวาเท่านั้นไอ้ที่เราสุขๆเนี่ยถ้าดูแลไม่เป็นเอาละ่ะเรามาดูการสาม การสามขององค์ปฏิจจาริสสองการสามขององค์ปฏิจจาริสองนั้นดูอดีตทางด้านขวามือมุมขวามือก่อนนะอดีตการอาวิชาก็าสังขารถือเป็นอดีตการเราก็อย่าสงสัยว่าเออวิชาเดี๋ยวนี้ชาินี้ก็มีนี่กรรมคือสังขารได้ชานนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนี่แล้วทาไมจาดเป็นอดีตแล้วก็ถ้าจะสงสัยว่า วิญญาณนามรูปสลายทนาปัสส า, าเวทนาตัณหาอุปาทานไปถึงพบในส่วนเฉพาะกรรมมาพบเนี่ยจัดเป็นปัจจุบันเนี่ยชาติก่อนก็มีนี่ชาติหน้าก็มีนี่ทําไมจัดเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ตอบว่าท่านหมายเอาปฏิจจ์ในวงเดียวกันนะปฏิจจ์ในวงเดียวกันเนี่ยถือว่าอาวิชชาสังขาร เป็นอดีตเหตุของวิญญาณในชาตินี้แปลว่าวิชาชาตินี้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณของเราในชาตินี้วิญญาณของเราในชาตินี้มาจากวิชาชาติก่อนอาวิชาชาตินี้ของเราจะทำให้เกิดวิญญาณชาติต่อไปหมายความอ่างนี้นะและอนาคตเหมือนกันนี่ท่านกล่าวว่าเป็น ส่วนวิบากที่กล่าวถึงอนาคตก็คืออที่เป็นกรรมในชาตินี้นะพบที่เป็นกรรมในชาตินี้เป็นเหตุให้เกิดวิบากในชาตินะนี่ก็เป็นลักษณะของการกล่าวในวงเดียวกันไอ้คำว่าวงเดียวกันต่างวงเนี่ยลึกซึ้งมากที่พูดพูดก็เป็นแต่เพียงพูดพอให้เห็นภาพเข้าขกล่าวอย่างมากๆแล้วนั้นแหละ พ่อแม่ของเราเป็นอดีตของเราซึ่งเป็นลูกใช่ไหมฮะหรือเป็นอดีตโดยเหตุนะของเราพ่อแม่ที่เป็นลูกอเราเป็นลูกของพ่อแม่ใครเขาเป็นอดีตเหตุของเราแล้วก็ทายาทของเรานั่ยก็เป็นอนาคตโดยหรือเป็นอนาคตผลของเราถึงเราจะบอกว่าอก็พ่อแม่ลูกหลานก็อยู่ในบ้านเดียวกันเห็นกันอยู่ทุกวันเป็นปัจจุบันด้วยกันไม่ใช่หรือ ไอ้อย่างนั้นนะมันไม่ใช่กล่าวในแง่เหตุผลนะกล่าวในแง่เหตุผลแล้วก็ถึงจะมีชีวิตอยู่ด้กันก็คนหนึ่งก็เป็นคนเก่าคนหนึ่งเป็นคนใหม่คนหนึ่งเป็นคนกลางอ่าครั้งที่เรามาดูเงื่อนสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนเงื่อนสามที่ในบาลีใช้คําว่าสนธิที่แปลว่าที่ต่อหรือแปลว่าเงื่อนเนี่ย เงื่อนตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่ต่อระหว่างองค์หนึ่งกับองค์หนึ่งในสิบสององค์คือไม่ใช่ที่ต่อว่าอาวิชาต่อกับสังขารแล้วตรงนั้นเป็นเงื่อนตรงนี้ไม่ใช่นะเป็นที่ต่อของสังเขปคือท่อนท่อนเหมือนกับท่อนเชือกหลายๆท่อนเอามาต่อกันเพราะนั้น ปฏิจจวงหนึ่งเนี่ยเมื่อตัดออกเป็นท่อนตัดตรงนี้หมายถึงตัดในรูปของเหตุผลทางหลักตฤษีมันคนละเรื่องกับการตัดอย่างละเนตัดคือการละปฏิจจะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็เรียกว่าตัดในแง่ของตัดให้ขาดโดยวิวัตตะ แต่ตรงนี้คือตัดในเชิงทฤษฎีให้ดูว่าไอ้ช่วงเหตุช่วงผลถ้าเราแยกเป็นส่วนเป็นท่อนเนี่ยเราจะแยกยังไงเหมือนกับอปฏิจจานี่เหมือนกับของเฟอรนิเจอร์สาเร็จรูปที่ถอดได้เราก็ถอดออกมาเป็นท่อนๆเอยจะถอดอยังไงแลายตรงไหนไอ้ที่ถอดออกมาแล้วตรงไหนต่อกับ ต, ตรงไหนเวลาใส่เข้าไปก็ได้ใส่ถูกก็ได้ความว่าเงื่อนที่หนึ่ง จุดต่อที่หนึ่งลอยต่อที่หนึ่งต่อระหว่างกรรม อ, อดีตกับปัจจุบันฝ่ายวิบากไม่รู้ ด, ดูทันป่ะนะฮะปัจจุบันฝ่ายวิบากเพราปัจจุบันมีปัจจุบันปัจจุบันวิบากปัจจุบันกรรมปัจจุบันกิเลสอ่ามีทั้งสามส่วนนะ สามวัตตะอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เวลาท่านแบ่งเป็นท่อนเนี่ยท่านแบ่งเอาปัจจุบันที่เป็นวิบากคือเป็นผลกรรมมาเป็นท่อนหนึ่งแล้วก็อวิชช า, าสังขารเป็นอดีตอดีตที่เป็นกิเลสกับกรรมเป็นอีกท่อนหนึ่งอันนั้ไอ้ช่วงต่อตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงต่อหนึ่งก็ได้ความว่าสังขารกับวิญญาณอยู่ชาติเดียวกันหรือคนละชาติ คนละชาติที่เรียกว่าปฏิจจครมชาตินี่คือตรงนี้เราจะวิจารณ์ว่าปฏิจจอย่างไรน่าจะเป็นอย่างไรแน่เนี่ยเราต้องรู้ว่าอย่างไรเขาเป็นอย่างไรนะถึงจะวิจารณได้ไม่งั้นก็วิจารณ์ไปก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีแต่นี่ผมอธิบายตามไวยะดั้งเดิม เดี๋ยวขอให้เข้าใจไปตามนี้ต่อไปท่อนที่สองอ่าเงื่อนที่สองรอยต่อที่สองละวางตันหากับเวทนาตือระหว่างวิบากปัจจุบันกับกิเลสปัจจุบันเป็นอีกเงื่อนหนึ่งเป็นอีกรอยต่อหนึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ารอยต่อตรงนี้เป็นรอยต่อในชีวิตปัจจุบัน ระหว่างวิบากกับกิเลสวิบากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่อไปก็รอยต่อที่สามรอยต่อที่สามนั้นกรรมปัจจุบันกับวิบากอนาคตชาตินั้นเป็นชาติต่อไปพบซึ่งหมายถึงกรรมมาพพนั้นเป็นกรรมในปัจจุบันทำให้เกิดชาติต่อไปนั้นในกรณีตรงนี้นะ่ะ กรรมที่ทําให้เกิดชาติท่านมุ่งเอาชนกกรรมเป็นสําคัญนะนี่ก็มีเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเ้ามุ่งเอาชนกกรรมเป็นสําคัญในตอนปฏิสนธิตามจริงหลังปฏิสนธิที่กรรมสร้างเขาเรียกว่าเป็นชนกกรรมแล้วก็กรรมอื่นนก็ถือเป็นที่สนับสนุนไม่นับเป็นตัวสําคัญก็พอไปถึงอนาคตวิบากในอนาคตเนี่ย ก็เหลือแต่วิบากอย่างเดียวไม่พูดในแง่กรรมในแง่อะไรแหละคือทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้ผมชี้ให้เห็นอย่างสั้นสั้นที่สุดก็คือไอท้ทีแรกท่านแสดงกิเลสกรรมวิบากอย่างค่อยๆถ อ, อ, อ, อดรายละเอียดออกมาเป็นเอกเทศเอกเทศนะเสร็จแล้วก็จะมาลงกระจุกอยู่ที่ทุกคือชาติรามรณะเนี่ยนะ่ะทุกขึ้นเป็นวิบากแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นปัญหาว่า โลกตกอยู่ในทุกอย่างนี้จะค้นจากทุกนี้ได้อย่างไรก็อชีวิตเราในความจริงมันก็ทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากมันสมกันอยู่เลยนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาปัญหาผลนะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทุกข์ถูกไม่ถูกปัญหาของเราเนี่ยอยู่ที่ทุกข์แล้วค่อยๆสืบไปมันก็ไปเจอกิเลสเจออะไรอะไรมันก็ค่อยๆถอดแกง ในเวลาที่พุทธเาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาจากผลคือชาติราวมณนะทึ่งทุกเป็นทุกเนี่ยนะสืบเข้าไปก่อนแล้วเข้าไปหาข่าในทางกิเลสทางกรรมแล้วก็ไอ้ทุกข์นี่จะไปทําอะไรมันจะไปละที่ทําลายทุกก็ไม่ได้ต้องทําลายเข้าไปถึงไอ้ต้นตอเอกเทศต้นตอสําคัญสาคัญตัวการข้างในอีกทีหนึ่งจึงต้องสืบเข้าไปจนระทั้งละได้ถึงอาวิจาร เป็นที่สุดนี่ในทางละกดิผมก็ยังวังใจอยู่ว่าที่พมา่าเนี่ยกามีสำนักปฏิบัติพิจารณาปฏิจจะถึงเดี๋ยวนี้เน่ยผมก็ยังไม่ชัดเจนว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรปฏิจจะเพราะเมืองไทยแล้วไม่มีหรอกแกได้แต่พูดพูดกันแต่มันไม่ไถึงเป็นขั้นวิปัสสนานะแต่ที่นั่นเขามีอดี๋ได้ไปลองดูเขาพิจารณาอย่างไง เพื่อจะชวนให้เข้ามาสอนที้นี่มัง้งพิจารณาปฏิจจ์แต่เราก็รู้ว่าปฏิจจ์นเนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิอย่างหนึ่งที่บุคคลพิจารณาด้วยวิธีการใดๆที่ถูกต้องแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้บรรลุวิปัสนาญาณได้วันนี้ก็พอสมควรก่เวลานะครับขอยุดติดการบรรยายไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมวอาทิตย์หน้า อาจารย์จำนงตองประเสริฐจะมาบรรยายอพระคัมภีร์ธรรมบทสืบต่อจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหนังสือหนังหาติดไม้ติดมือมาสักสิบเล่มท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อหาในวันนั้นท่านผู้ใดที่มีอยู่แล้วก็ถือมาถ้ามันหนักมากก็ฉีกมาก็ได้ฉีกที่บทนะฉีกมาเนี่ยหนังสือเสียหายหแต่ปัญญาเราจเจริญนะหนังสือเสื่อมปัญญาจเจริญ พอเรียนจบแล้วก็ไปให้ร้านเ้าเก้าปกนี่หลังอขอเชิญแผ่ส่วนกุศลตั้งนิดนะครับ